ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุญโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจงังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทั้งสถานีวิทยุแห่งนี้มาให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังและก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งซึ่งสิ่งที่ท่านผู้ฟังได้ฟังนั้น ที่เป็นคำสอนของพุทธะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีก็ความลึกเป็นชั้นโลกุตระมีความหมายหลายนยัยยเป็นเรื่องที่จะให้เหนือโลกเป็นทางออกที่จะให้ดับแห่งปัญหาความทุกข์ทั้งหลายได้นี่การทำความเข้าใจในทั้งตัวบทเยลียนชนะทั้งอัฏฐานี่จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากจำหวังพระพุทธเจ้าจึงได้มาบหมายให เราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมาทำการไคร่กรวนพิจารณาทำความชำนาญคนไหนรู้แล้วก็ช่วยกันบอกช่วยกันสอนคนไหนยังไม่รู้ก็ขวนขวายในการที่จะศึกษาทำความรู้จแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นจะทำให้คำสอนเนี่ยตั้งอยู่ได้ดารงอยู่ได้จะเป็นไปไม่ใช่แค่ประโยชน์แก่ตัวเองเท่า น, นั้นยังเป็นประโยชน์แก่ คนอื่นด้วยไม่ใช่แค่แกมนุษย์เท่านั้นยังเป็นแกเทวดาด้วยไม่ใช่แกแกมนุษย์และเทวดายังรวมถึงสัตว์เดรัจฉานสิ่งมีชีวิตเหล่าอื่นๆด้วยจะได้ประโยชน์กันหมดธมบัณฑเพราะฉะนั้นการมาทำความเข้าใจในคาสอนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากดีมากควรทำอย่างยิ่งเวลาที่เราจะมาทำความเข้าใจในตรมบัณฑไอความหมายตรงนี้แหละ ทีเรียกว่าอัฏฐะขยายความทําให้เกิดความเข้าใจในนัยะต่างๆตัวนี้คือเรื่องของอัฏฐะนั่นเองจะต้องมีส่วนที่เป็นการขยายความแต่ว่าขยายความนี้ไม่ใช่เป็นการแต่งใหม่ไม่ใช่เป็นเรื่องนอกแนวไม่ใช่จะเน้นแต่บทเพียนชนะที่มีอักษรสละสลวยแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งด้วยตรงนี้ก็จึงต้องมีการทําความเข้าใจกันละ่ละในเรื่องของอัฏฐะ ในเรื่องของพยัญชนะซึ่งท่านผู้ฟังที่มาศึกษาในคำสอนของพุทธะเนี่ยแน่นอนว่าท่านก็ไม่ได้พูดภาษาไทยนะท่านพูดภาษาบาลีท่านพูดภาษามะคตพูดแล้วก็มีคนแปลมาเป็นภาษาไทยแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วบางทีไม่เข้าใจก็ต้องแปลกันอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เข้าใจถึงความหมายเพราะฉะนั้นการเข้าใจความหมายเนี่เป็นเรื่องสาคัญบางทีเราก็ ต้องอาศัยผู้ที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาเราจะต้องความเข้าใจในระดับหนึ่งรู้ภาษาไทยเอ า, อางไงก็ต้องกลับไปที่ตัวแม่บทแต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากทั้งหมงกลับมาที่ตัวแม่บทคําสอนของพุทธเดิมจะอธิบายกันยังไงละ่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นนอกแนวไปไม่ให้มันเป็นเรื่องใหม่ไปไม่ให้มันเป็นวรรณกรรมเป็นเรื่องโลดผลพิสดารไม่ใช่แต่ว่ากลับมาที่ในทางที่จะ ให้ไปสู่ความรู้ยิง่งรู้พร้อมนิพานกลับมาในตางที่จะเป็นคำสอนนั่งเดิมของพุทธตาตรงนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราผู้ฟังคำสอนเนี่ยจะต้องเข้าใจสาระสำคัญตรงนี้ให้ได้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ฟังมีคาถามก็สงสัยตรงไหนเนี่ยตอนนี้ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ข้าพเจ้ายังมีเสียงอยู่พรพะมีความรู้บ้างในการที่จะตอบคาถามของท่านผู้ฟัง ในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้นําคําถามที่มีความสงสัยข้อสงสัยต่างๆเอาคําถามเหล่านั้นมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังให้ฟังกันในสัปดาห์นี้ก็มีคําถามที่เป็นลักษณะนี้แหละท่านผู้ฟังในเรื่องของที่จะอธิบายขยายความในคําศัพท์ให้เกิดความเข้าใจในทางด้านอัตตให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปแล่ก็มีคำถามของคุณรุ่งนาภา คุณรุ่งนาภ า, านี่ก็เขียนถามมาได้หลายสัปดาห์ละพระพุทธเจ้าพยายามที่จะทําความเข้าใจพิจารณาหาเหตุผลในคำถามของคุณรุ่งนาภาอยู่นั่นก็จึงพึ่งจะได้นําคำถามนี้มาตอบให้ฟังกันคําถามที่คุณรุ่งนาภาถามมานี่ก็เป็นเรื่องของสตินั่นเองถามเกี่ยวกับเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4ี่แต่คุณรุ่งนาภ า, าบอกว่ามีความสงสัยมานานละในเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4ในที่พระพุทธเจ้า ตราดโดยโบทพยยียญชนะเนี่ยที่บอกว่าสัมมาสติเป็นอย่างไรแต่เนการอธิบายความของตัานเองัว่าเป็นผู้เห็นการในกายเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกาจัดอภิชาและโธมนดันในโลกออกเสียได้อันนี้เรียกว่าสัมมาสติแต่ฟังแค่นี้เอก็ยังแบบไม่เข้าใจว่าอหมายถึงอะไรกันแน่แตง ง, งงงกัน แล้วก็มีคําอธิบายหลายๆอย่างอาจาอาจะอ่านหนังสือเล่มนั้นอาา่านหนังสือเล่มนี้ก็เข้าใจบ้างที่ไม่เข้าใจก็มีแล้วก็เลยสอบตามมาว่า้ตรงจุดนี้ที่เรียกว่าเป็นสัมมาสติเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้คุณนุนาภาบอกว่าคัดมาจากในพระไตรปิฎกในส่วนของสุตตันตปิฎกที่อยู่ในทีฆานิไกเล่มที่10มันก็วางกันไปแต่ทีนี้ในส่วนที่เป็นสัมมาสติตรงนี้โอมีคําอธิบายอยู่ในหลายๆที่เลยทั้งมดฟัง จะเรียกว่าเป็นร้อยจุดหรือกว่านั้นก็ได้ในพในระไตรปิฎกเนี่ยธรรมะจากกับวัตนสูตรก็มีมหาสติปัฏฐานสูตรที่คุณนุ่งนาภายกมานีนก็ใช่ยังรวมถึงเรื่องของอานาปานสติเรื่องของสติปัฏฐานแบบต่างๆนะมีอยู่ในสังยุตต น, นิกายก็มีบัชฉิมา น, นิกายก็มีส่วนที่เล่าถึงพุทธประวัติประวัติของตัวพระองค์เองแล้วก็ได้บอกถึงเรื่องของสมาสติโดยบทเพยชนะแบบนี้เป้นเนี่ยก็มนะีมีอยู่หลายร้อยจุดด้วยกัน ในพระไตรปิฎกนี้ทีนี้คุณรุ่นาพาที่เขียนตามมาเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะจะยกแต่คําถามตรงนี้ตรงนั้นตามบุฟังยังได้ยกส่วนอื่นๆนนั้นนตัวเองก็ไปหาข้อมูลเองมาเหมือนกันแได้เห็นข้อมูลในส่วนหนึ่งในพระไตรปิฎกที่อยู่ในเล่มที่31มสิบที่อยู่ในส่วนของคุตตการนิกายเป็นคำปีที่ชื่อว่าปฏิสัมพิธามาักในเล่มที่31 ได้มีคำอธิบายเรื่องของสติปัฏฐาน4เนี่ยอย่างดีมากทีเดียวในกะุฎนุบาบอกเราตัวเองสามารถทําความเข้าใจกับในเนื้อหาในส่วนนี้ได้เราก็เลยคิดว่าโอ้ตรงนี้สําคัญมากเลยก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ทา่านบวชฟังได้ฟังด้วยแล้วก็อยากให้ข้ารพรเจ้าอธิบายเนื้อความในส่วนนี้ให้ฟังด้วยในะตรงนี้ทา่านบวชฟังเป็นหลักการที่สําคัญมากๆเลยนะสมมติว่าเราสงสัยในเรื่องในเรื่องหนึ่งนี่นจะเป็นคําสอนของพุทธานี่แหละ ในกรณีนี้คุณดวงระพาสงสัยเรื่องของสติปัฏฐานนะสามารถสติเป็นอย่างไรเอพบุรีชาอาธิบายมาก็ยังไม่เข้าใจแตนะ่ตัวเองก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแนะส่วนที่เป็นพุทธพจน์จริงๆเนี่ยก็จะเหมือนกันเป๊นะนมาเจอข้อมูลัหนึ่งที่แตกต่างกันไปนะข้อมูลนี้มาในคำภีที่ชื่อว่าปฏิสัมพิ ธ, ธาหมากักนซะึ่งอยู่ในส่วนของกุตตกนิกายท่านไะด้พูดถึงการเห็นกายในกายโดยแยกมาเป็นเรื่องของธาตุสเห็นโดยลักษณะของไตรลักษ ในธาตุสี่นี้ยังแยกถึงเป็นอวัยวะต่างๆพูดถึงเรื่องของขันห้5ส่วนที่เวทนานี่ยแยกเป็นเวทนา3เวทนา6เห็นโดยลักษณะของไตรลักษณ์อย่างนี้ซึ่งเป็นบทพยัญชนะที่ไม่เหมือนกับของพระพุทธเจ้า่จะมีส่วนที่คล้ายกันอยู่แต่ว่าจะไม่ใช่เหมือนไปนตรงนี้ทําความเข้าใจกับตมูฝั่งนิดหนึ่งว่านี้เป็นหลักการที่ถูกต้องดีงามควรจะ ก, กระทำด้วยนพระบ้าทในคัมภีร์ที่ชื่อว่าปฏิสัมพิธามรักนี่ จะเป็นการขยายความนะในส่วนที่เป็นอัตตะคตาเนี่ยท่านบอกว่าเป็นการขยายความของท่านพระสารีบุตรและพูดง่ายๆคือท่านพระสารีบุตรเป็นอัตตะคตาจารย์ในการที่จะอธิบายเรื่องของสติปัฏฐานที่เป็นคำของสัม ม, สมาสัมพุทธเจ้าในส่วนคําขยายความตรงเนี้ท่านรวบรวมมาในคำวิธีเรียกว่าปฏิสัมพิามรักในเพราะฉะนั้นปฏิสัมพิ昙มรักเนี่ยเป็นอัตตะคตานะอัตตะคตาที่ขยายความพุทธพจน์ <น> Baby, ไม่ได้เป็นเรื่องนอกแนวเป็นเรื่องที่จะให้เรากลับมาที่ตัวแม่บทอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญใะบูฟังเราจะฟังอัตคาตถาตรงจุดไหนอย่าไปนอกแนวอย่าเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าให้เป็นเรื่องเดิมที่กลับมาสู่ตัวแม่บทเดิมอันนี้จะเป็นหลักการที่สําคัญเราจำกัาสูตรที่ตัวแม่บทเดิมคือในคัมพี์ที่เรียกว่าอัตคาตถาเนี่ยมีส่วนที่บางทีมันก็นอกแนวไปเหมือนกันเราก็ไม่เอาส่วนนั้นแต่มีส่วนที่จะกลับมาที่ตัวแม่บทเหมือนกัน จะทำให้เราเข้าใจเรื่องเดิมได้ดียิ่งขึ้นเอาเราตรงส่วนนี้อย่าไปเมาไปหมดว่าอัตกรกตาไม่ดตีต้องรู้จักแยกแยะชั้นของข้อมูลซึ่งตัวอย่างที่คุณรุ่งนภายกมาเนี่ยเป็นการแยกชั้นข้อมูลที่ถูกต้องละดีด้วยนะเพราะว่าในัำพีที่รวาปฏิสัมพิทามรรคเนี่ยเป็นส่วนที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายขยายความมาไวา้นะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ยกย่องท่านพระสารีบุตรโดยหลายๆนายนายะด้วย นว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่สามารถจะประกาศธรรมจักได้เป็นธรรมเสนาบดีถ้าผู้ที่จะได้ขึ้นครองราชคนต่อไปก็จะต้องเป็นท่านพระสารีบุตรนี่แหละที่จะมาเป็นธรรมราชาคนต่อไปได้นายกย่องท่านไว้ในหลายนัยยะสิ่งท่านก็อธิบายขยายความตรงนี้นะว่าในเรื่องของสติปัฏฐานในที่ว่าจะพูดถึงกายเวทนาจิตหรือธรรมก็ตามเนี่ยเราจะต้องเห็นกายเวทนาจิตหรือธรรมก็ตามเนี่ย โดยความเป็นของไม่เที่ยงนะโดยความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะทำ่เกิดความนายคลายกําหนัดทำให้เกิดความดับทำให้เกิดความสลัดขืนนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานายคลายกาหนัดระงับนะี่ยคือดับแล้วก็สลัดคืนทั้งหมด7อย่างนี้นะ่คือพูดง่ายคือไตรลักษณ์อ่ะนะ่คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาอย่างเกี้ยมันก็จะค่อยหลยไปยนะแค่นี้ คือสติปัฏฐานสี่และท่านผู้ฟังแค่เนี้คือสติปัฏฐานสี่ลนะนึ่งซึ่งถ้าบางคนไม่เข้าใจนะในลักษณะที่พระบุทรเจ้าอธิบายว่า เ, าเห็นกายในกายนะเห็นเวทนาในเวทนานะเอเมันคือยังไงนะเห็นในอะไรในยังไงนะนะ่งก็ถ้ามาฟังอธิบายตรงนี้หนะึว่าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาเออนี่มันเข้าใจเก็ตได้แลนะซึ่งตรงนี้เป็นการอธิบายที่ในอีกในายะหนึ่งในะที่ในอีกอัฏฐะหนึ่งที่นี่อีกความหมายหนึ่ง เป็นอัตถาอันหนึ่งในะที่ไม่ใช่พุทธพจน์เป๊ะพระพุทธเจ้าจะไม่ได้พูดตรงไหนเลยว่าภิกษุเห็นกายในกายคือการที่พิจารณาเห็นความโดยของไม่เที่ยงเป็นทุเ ป, ปนาา็นตาน่จะไม่ได้มีส่วนที่เป็นพุทธพจน์พูดไว้เป๊ะๆตรงนี้นะ่จะไม่มีแต่ว่าอัตตานะหรือส่วนที่อธิบายขยายความเนี่ยก็อาจจะอธิบายไว้ตรงนี้ไว้แนตะ่ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะว่าเออมันก็ไม่ได้นอกแนวนะมันก็มาในแนวนะ แล้วก็เป็นเรื่องที่กลับมาที่ตัวแม่บทเดิมนะแม่บทเดิมนี่คือเห็นกายในกายอธิบายขยายความออกไปก็จริงให้เห็นนัยยะต่างๆเห็นนัยยะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยแล้วกลับมาที่ตัวแม่บทเดิมคือคําว่าเป็นกายในกายนั่นี่คือลักษณะของการที่ไม่ว่าจะเป็นสาวกคนไหนท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นกุรุบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้การอธิบายความถ้าอยู่ในลักษณะแบบนี้อันนี้คือถูกต้องเลยอันนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วย ตัวร้อยเองจะอธิบายเรื่องใดเเรื่องหนึ่งจะยกอุปมาอุปไมยจะยกตัวอย่างการใช้งานก็ต้องไม่นอกแนวแต่ก็ต้องกลับมาที่ตัวแม่บทเดิมอย่างนี้นี้เป็นลักษณะการที่เราจะอธิบายให้คนหนึ่งเข้าใจทําความเข้าใจในตัวเองศึกษาในอัตกะตาต่างๆมาเป็นลักษณะนี้อันนี้จริงจะถูกต้องะในเรื่องของการเห็นกายในกายท่านผู้ฟังถ้าเราจะมาเจาะที่เฉพาะตรงพุทธพจน์อย่างเดียวเนี่ย อบริชาพอดีท่านก็แยกแยะแจกแจงออกมาเป็นเรื่องของอนาปานสติบอดีก็แยกแยะแจกแจงมาเป็นลักษณะของกาย32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเดีจะพูดถึงความไม่เที่ยงก็จะพูดถึงในลักษณะของกาย32ว่ามันเป็นของหน้าเกลียดไม่สวยงามเดีเราจะอนุโลมตรงนี้ว่าเป็นเรื่องของไม่เที่ยงก็ได้เหมือนกันแต่บรทปัญชนะที่จะบอกว่าเป็นไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจะไม่มีนะที่เป็นบุตรพจน์นะ ตัวนี้จะเป็นส่วนที่เป็นการขยายความแต่ซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่นอกแนวเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเหมือนกันเป็นไปที่จะกลับมาที่ตัวแม่บทเหมือนกันแต่เราแยกแยะข้อมูลให้ถูกอันนี้ก็ถึงจะดีแต่ในปฏิสัมพิธามาร์กพระไตรปิฎกเล่มที่ส1ที่มาอยู่ในส่วนของธธกุตตากนิกายในตะบูฟังเป็นเล่มที่ดีมากเลยแต่ถ้าเราไปอ่านทําความเข้าใจ ทีละหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้เกิดความเข้าใจในพระสูตรในเรื่องราวต่างๆได้มากทีเดียวถึงหลักธรรมต่างๆด้วยแต่ก็มีเล่มนี้ในการสังคายนาครั้งแรกๆเนี่ยท่านจัดไว้ในอยู่ในส่วนของหมวดของอภิธรรมเพราะว่าเป็นเนื้อธรรมะล้วนๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลไม่ได้มีว่าพูดที่ไหนไม่ได้มีตรัสกับใครแต่เป็นการอธิบายเนื้อหาธรรมะล้วนๆก็เลยได้ครั้งแรกๆท่านก็เก็บไว้ใน อยู่ในส่วนของอภิธรรมมาในการสังคายนาครั้งหลังๆจึงจัดมาอยู่ในส่วนของหมวดที่เป็นเรื่องราวเบตดเล็ดเพราะว่าเป็นส่วนที่อธิบายธรรมะในเนื้อพระสูตรก็จึงจัดมาอยู่ในหมวดของสุตตันตปิฎกแต่อย่างไรก็ตามในเนื้อหาเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4หนักายนี้ในเนื้อหาในปฏิสัมพิธามารคนี้ท่านอธิบายถึงเรื่องของธาตุสีดินน้ำไฟลม เห็นโดยลักษณะของไตรลักษณ์จะมีรายละเอียดไปถึง7อย่างเขได้พูดถึงการพัฒนาให้มีความไม่เกินกันมีความเสมอกันของอินทรีย์ของความเพียรของการทำให้มากๆแล้วก็ได้อธิบายถึงเรื่องของเวทนาด้วยว่าเวทนา3อย่างก็มีคือสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนา6อย่างที่จะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ อันนี้ก็เห็นโดยลักษณะของตรายลักษณ์ด้วยนั้นในจิตที่จิตมีราค่าที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าผู้เห็นจิตในจิตเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจะอธิบายว่าอจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคาจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะเอรามันรู้กันยังไงใช่ไหมในที่นี้ท่านก็อธิบายว่าจิตมีราคาเนี่ยก็เห็นจิตที่มีราคาเนี่ยโดยความเป็นกองไม่เที่ยงนั่นก็คือเอาตรายลักเนี่ยมาจับในจิตที่เราเห็นว่าจิตมันมีราคานี่แหละ มีโทษะหรือไมีโมหะนี่แหละเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงอันนี้ก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้ว่าจิตมีราคะก็มีราคะจิตมีโทษะก็รู้ว่าจิตมีโทษะรู้ยังไงก็รู้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วตรงนี้ก็จะอธิบายความทำความเข้าใจให้เกิดกันปฏิบัติได้ใน เ, เรื่องของการเห็นธรรมในธรรมเราต้งอธิบายว่าทำเมื่องเดิน่ยที่นอกจากกายเวทนาและจิตเนี่ยให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่จะ ตั้งสติคือเจริญสติปัตตานทั้งสีได้อันนี้คือคําถามของคุณรุ่งนภาที่เป็นตัวอย่างของการที่เราจะกลับมาที่ตัวแม่บทเป็นคำอธิบายที่ไม่นอกแนวแต่เป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้ในส่วนที่เป็นคำพิที่ชื่อว่าปฏิสัมพิ ธ, ธามรรคเล่มที่31ในคําถามที่สองในวันนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของสติอีกเหมือนกันอันนี้ถามมาจากคุณทายคุณทรายถามถึงเรื่องของลักษณะ อธิฐานการงานแตนะ่ที่มีคนพูดว่าจิตอธิฐานการงานจิตอธิษฐานการงานแตนะ่จึงถามว่าเอ๊ลักษณะของจิตอธิษฐานการงานเนี่ยคือมีการตั้งสมาธินะเอาใจจดใจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมเอ๊บางทีเกิดความสับสนว่าเอ๊ทำให้จบไปทีละอย่างหรือว่าทําไปหลายๆอย่างพร้อมกันได้ไม่จับจดแตนะ่เช่นกวาดบ้านดูบ้านทำแบบข้าวนะเอาใจใส่อยู่กับงานนั้นไม่ล่องลอยไปที่อื่น อย่างนี้เรียกว่าใช่จิตอธิษฐานการงานใช่หรือไม่หรือว่ามีรายละเอียดปฏิบัติเป็นอย่างไรคำว่าจิตอธิษฐานการงานได้บ้ังจริงๆแล้วมันเป็นวจีประดิษฐ์ไม่ใช่พุทธพจน์จริงๆนะพุทธพจน์จริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสติอธิษฐานการงานไม่ใช่จิตอธิษฐานการงานนะจิตอธิษฐานการงานเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่าคลาดเคลื่อนเพียนมาจากจุดที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่า สติอธิษฐานการงานและในเรื่องนี้อยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าอุทายีสูตรแต่อยู่ในอังกุตระนิกายหมวดที่6ก ต, ตอนนั้นพระบริจาถามท่านพระอุทายีแล้มาฟังท่านบอกว่าฐานที่ตั้งของสติเนี่ยคือถะาบทเป็นอย่นะที่ถูกก็คืออนุสตินั่นคือสิ่งที่จะทําให้สติเกิดขึ้นเนี่ยอนุแบบว่าตามมาใช่ไหมสติจะตามมาได้เนี่ยด้วยทําอะไรในมีธมารรมะอะไรที่จะทําให้สติตามมาได้ อนุสติมีเท่าไหร่ถามท่านพระอุทายีท่านก็หนิงถามรอบที่สองท่านก็หนิงถามรอบที่3ท่านก็ยังหนิงไม่ตอบจนกระทั่งท่านพระนลต้องบอกออบอบท่านอุทายีพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าถามท่านพระอุทายีก็รู้แล้วรู้แล้วก็เลยตอบขึ้นมาใช่ไหมตอบขึ้นมาคําตอบหนึ่งท่านบวงก็เป็นคําตอบที่เป็นคนละเรื่องกันกันกนกบอนุสติแต่เนืเรื่องของปัญญาเรื่องของบุเพนิวาสานุสติญาเนี่ยมัตอบอยู่ในหมวดของสตินก็เป็นคําตอบที่ไม่ถูกต้องอะ ก็จึงถูกพระพุทธเจ้าตำหนิว่าโอ้เป็นคนโม่ขับุรุษเป็นคนกลวงไม่รู้คำตอบของขนามนี้ไม่รู้จักปฏิบัติให้มากไม่เจริญอธิจิตพอเจอคำถามนี้เข้าไปก็จึงตอบไม่ได้ว่าสติคืออะไรนะซึ่งมันไม่เหมือนกับปัญญาหรือทีนี้ก็เลยเห็นมาถามท่านพระอานุลแล้วท่านพระอนุลนะก็เลยตอบว่าอนุสติมีหาอย่างนะนะคือชา้น1ชัฌน2องฌานสามฌานสี่นะก็ว่าอนุสติในตัมวังคือสติจะเกิดขึ้นได้ตามมาได้ นะด้วยการที่เจริญชันหนึ่งฌนสอนนแต่เราตั้งสมาธิขึ้นเนี่ยการที่เรารู้ว่าสมาธิอะไรแล้วทำสมาธิเกิดขึ้นหน้าอันนี้สติก็จะตามมานะในข้อที่5นั้นท่านพระอนตน์ได้บอกถึงเรื่องของกายคาตาสตินั่นะคือเห็นความเป็นกองไม่สวยงามในกายได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกซนะากศพที่ตายแล้วจนกระทั่งเป็นซากเปื่อยเน่าเหลือแต่กระดูก ส่วนกระดูกเป็นผงละเอียดไปอันนี้คืออนุสติ5อย่างแตพระพุทธเจ้าในที่นั้นก็จึงเพิ่มเติมให้อย่างที่6เข้าไปนะโดยใช้คำว่าสติอธิษฐานการงานนะเป็นอนุสติอย่างที่หกโดยอธิบายคําว่าสติอธิษฐานการงานนะไม่ใช่จิตอธิษฐานการงานคือสติอธิษฐานการงานอธิบายว่ามีสติก้าไปมีสติถอยกลับมีสติยืนอยู่ มีสตินั่งอยู่มีสตินอนอยู่มีสติอธิษฐานการงานในะสติอธิษฐานการงานนี้คืออยู่ในอนุสติฐานที่หกนะซึ่งแยกออกไปอีกนะมีก้าวไปข้างหน้าต้อยกลับยืนนั่งนอนแล้วก็สติอธิษฐานการงานมี6อย่างหนึ่น 1, คือไปข้างหน้า2ถอยกลับหลัง3ยืน4ีนั่ง5นอนและ6กสติอธิษฐานการงานกรรมสติอธิษฐานการงานเนี่ยไม่ใช่ เป็นหัวข้อในอนุสติข้อที่6ด้วยซ้ําแต่เป็นข้อย่อยในอนุสติข้อที่6นี้เราจะทําความเข้าใจกับคําว่าสติอธิฐานการงานนเพื่อที่จะตอบคาถามของคุณชายว่าเราจะแบบทําอันนี้เราก็ทําอันนั้นต่อไปเรื่อยๆทําหลายๆอย่างพร้อมกันหรือว่าทําให้จบไปทีละอย่างไม่จับจดหรือว่าจะทํำยังไงเช่นล้างจานถูบ้านทํากับข้าวก็เอาใจใส่อยู่ตรงนั้นใช่หรือไม่ ในตอนที่จะไปตอบตรงนั้นมาทําความเข้าใจกัสรสั์คํานี้สักนิดหนึ่งนะในข้อย่อยข้อที่6ในหัวข้อที่6นี้ในพะระพุทธเจ้าใช้ศัพท์คําว่าสตวกรรมังอธิฐาตนะิแปลว่ามีสติอธิษฐานการงานแต่แปลไทยก็ไปอีกก็คือมีสติตั้งทัพในการกรนะทำมีสติตั้งทัพยิ่งในการกระทาคำว่าอธิษฐานเดิมบังคำวมาอธิฐานนะ คือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาเจาะลึกลงไปคำพฐานนะทอสันฐานสละนอหนูหนหรือฐานะเนี่ยคำขยายความตรงนี้นถ้าเราเจาะเข้าไปที่ศัพท์คํานี้เลยเนี่ยนะเขจะมีความหมายว่าอะไรก็ตามที่เป็นที่ตั้งแห่งผลจะให้ผลมันเกิดเนี่ยคุณต้องมีฐานตรงนี้แต่ประเด็นฐานเนี่ยคือคือหวังเอาผลนะไม่ได้หวังเอาเหตุนนะคุณสร้างเหตุนเนี่ยเพื่อหวังเอาผล เพราะนั้นอธิษฐานเนี่ยก็คือให้ยิ่งขึ้นไปใช่หมอธิแปลว่ายิ่งขึ้นไปอธิษฐานก็คือเป็นฐานที่จะให้เกิดผลที่มันดีที่มันยิ่งขึ้นไปกรรมะคือการกระทําสโตวะคือสติเพราะนั้นในการที่เราจะตั้งสติอธิษฐานการงานเนี่ยก็คือหวังผลของงานนั้นให้มันสำเร็จยิ่งขึ้นไปแต่เพะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะล้างจานทางานบ้าน หรือทําการงานที่สํานักงานขับรถอยู่เนี่ยก็คือตั้งสติไว้ในผลของงานนั้นที่มันจะเกิดขึ้นให้สําเร็จประโยชน์ฟังอีกทีนะคำว่างนะฐานในที่นี้นะคือที่ที่จะเป็นที่ตั้งแห่งผลนั่นคือหวังเอาผลนะความสําเร็จที่ผลตรงนั้นที่มันจะเกิดขึ้นเราตั้งสติไว้กับผลที่จะเกิดขึ้นแล้วทําการงานนั้นๆเนี่ยให้มันยิ่งขึ้นไปให้มันสําเร็จนั้นขึ้นไป อยเช่นว่าถ้าคุณต้องการบ้านที่มันเรียบร้อยนสะอาดต้องทําอะไรบ้างเช็ดบ้างกวาดบ้างถูบ้างเก็บบ้างทําทุกอย่างอ่ะอาจจะทำหลายหลายอย่างเพื่อผลอะไรให้บ้านมันสะอาดให้บ้านมันสําเร็จแล้วคุณตั้งสติไว้อยู่กับผลนั้นที่จะให้บ้านสะอาดบ้านสําเร็จให้บ้านสวยงามแล้วก็ทําหลายๆอย่างนั้นอ่ะไปก็ได้อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นสติอธิษฐานการงานนสโตวะกัมมังอธิฐาติ อันนี้คือบาลีหรือว่างานการที่เราทําที่ทํางานถ้าคุณทางานอยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหมอยู่ในสํานักงานหรือว่าเป็นงานแบกจับอะไรก็าตามเป็นเกษตรกรรมหรือว่าพาณิชยกรรมหรือว่าศิลปะอ ย, ย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องทําหลายอย่างบางทีทําหลายอย่างเพื่อที่จะให้ผลมันสําเร็จเช่นชาวนาเพื่อที่จะให้เป็นข้าวเปลือกเนี่ยโอ้ไม่ใช่แค่ว่าจะต้องดํานาเดียวต้องเตรียมข้าวกล้าด้วยไม่ใช่จะเตรียมข้าวกล้าเตรียมดํานา ก็ต้องเตรียมดินด้วยแล้วก็ไม่ใช่วลาใช้เวลาแป๊บเดียวก็ต้องเป็นหลายๆเดือนแต่วันนี้เราจะทําวันนี้วันต่อไปเราจะทําอันนั้นไกน้ำเข้าบ้างไกน้ํำออกบ้างก็ต้องตั้งสติเอาไว้อันนี้สติจะเกิดขึ้นได้ก็การงานตรงนี้เหมือนกันกเรียกว่าสติอธิฐานการงานงั้นในออฟฟิศก็ไม่ต่างกันนะบูฟังแล้วคุณจะต้องเปิดซอฟต์แวร์นี้เช็คข้อมูลนั้นเปิดอ e ีเมลโทรศัพท์ไปประชุมเพื่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จขึ้นเนี่ย ในการเอาผลนั้นสติตั้งไว้ที่นั่นแล้วก็ทําการงานอย่างอื่นให้มันยิ่งขึ้นไปให้มันสําเร็จเดี๋ยวตอนนี้ก็ชื่อว่าเป็นสติอธิฐานการงานอันนี้เป็นหัวข้อย่อยในข้อที่6นะนอกเหนือจากการที่เราอยู่ในอิริยบทแล้วยืนเดินนั่งนอนก้าวไปถอยกลับการงานที่เราทําเราตั้งสติไว้ในผลที่จะสําเร็จนั้นแล้วทําการงานนะให้ดีให้ถูกให้ได้ก็ชื่อว่าเป็นสติอธิฐานการงาน นี้การกระทำตรงนี้ท่านผู้ฟังที่ถ้าคุณตั้งสติไว้ในผลใช่ไหมแล้วทําการงานให้มันสําเร็จเนี่ยการงานนั้นก็จะต้องอยู่ในมาร์กนะอยู่ในมาร์กในที่นี้ก็ต้องไม่ด่าเขานะไม่มีมิจฉาวาจาเวลาจะคิดก็ต้องไม่มีมิจฉาสังกปัปปะเวลากระทําทางการไปก็ต้องไม่เป็นมิจฉากรรมันตะนะอยู่ในสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาสังกปัปปะนะคือคิดพูดทําในทางที่ดี ในสติมันก็ตั้งอยู่ตลอดตั้งอยู่ตลอดในลักษณะการที่เราฝึกว่าเออล้างจานก็ให้รู้อยู่กับล้างจานกวาดบ้านก็ให้รู้อยู่กับกวาดบ้านและนี้มันก็ทั่วทวไปนะเราก็เคยฝึกเคยกระทํากันอยู่แล้วนะในศาสตร์ของทางฝั่งตะวันตกหรือทางฝรั่งเขาเนี่ยเขาก็สอนเรื่องนี้กันอยู่แล้วนะให้มีสติอยู่ในการงานที่ทำอันนี้มันธรรมดาแต่ในทางคําสอนของพุทธะเนี่ยเอาให้มันยิ่งขึ้นไปนะที่สติในที่นี้คือหมายถึงสัมมาสติ แต่เฉพาะเจาะจงลงมาก็คือคิดพูดทําให้อยู่ในมัคบางทีมันอาจจะเผลอบ้างลืมไปบ้างหราเลิกได้เมื่อไหร่ก็ให้กลับมาอยู่กับการางานนั้นนะเพ่งเฉพาะลงไปในผลที่จะสําเร็จให้เกิดขึ้นในแต่ละจุดแต่ละจุดอาจะทําโดยหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันหรือจะทําทีละอย่างทีละส่วนก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่าเราตั้งสติไว้กับผลนที่จะเกิดขึ้นละนะคำว่าผลที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือมาจากศับกับวัฏฐานะ หรือฐานที่ตั้งนั้นเป็นที่ตั้งให้ผลสําเร็จขึ้นได้ในการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้ยิ่งขึ้นไปเรามีสติอยู่ตรงนี้ในการกระทําตรงนี้ท่านผู้ฟังปัจจรบันบอกกับท่านปรานนท์ว่าถ้าทํามากเจริญมากแล้วเนี่ยสติสมัมปชัญญะจะเกิดขึ้นนั่นคือถ้าเราฝึกมาในการที่จะรู้ตัวรอบข้อไปในระหว่างวนนันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนการทํากิจการงานใดๆที่เป็นสติ อธิษฐานการงานบทเพยงชนะที่ถูกต้องคือสติอธิษฐานการงานอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าใช้คําว่าจิตอธิษฐานการงานเนี่ยคำว่าสติคือที่สําคัญตรงนี้มันหายไปทําให้ค่อยเควยไปว่าจิตมันจะไปอยู่ที่ไหนถ้ามันไม่มีสติแต่บทเพยงชนะที่ถูกต้องคือสติอธิษฐานการงานเมื่อเราฝึกกระทําในชีวิตประจําวันแล้วแล้วเรามาฝึกทำเป็นรูปแบบนะเช่นมีการนั่งสมาธิตอนเชา้าหรือตอนเย็น สิ้านาทีก็ตามครึ่งชั่วโมงก็ตามหรือกว่านั้นก็ตามเนี่ยไอการทําสมาธิเช้าเย็ยนของเรามันก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าสติสัมปชัญญะเรามีมากขึ้นในระหว่างวันพอมาทําเป็นรูปแบบมันก็ดีขึ้ น, นการทําเป็นรูปแบบเราฝึกทำอยู่เป็นประจําการที่เราจะให้มีสติอธิฐานการงานมันก็ยิ่งดีขึ้นนะมันเกื้อนหนุนกันทั้งการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบแบบนั่งสมาธิหลับตาหรือการที่เป็นรูปแบบของการทําอยู่ในชีวิตประจําวัน เป็นสติอธิฐานการงา น, นในการยืนเดินนั่งนอนการทํากิจการงานต่างๆนะให้มีสติอยู่ในผลที่จะสําเร็จเกิดขึ้นนั้นไดนี่คือคำตามของคุณทายที่เกี่ยวกับเรื่องสติเหมือนกันวันนี้ก็ได้นําคําถาม2คําถามเติมฟังของคุณรุ่งณภาลและคุณทายที่เกี่ยวกับเรื่องของสติในรายละเอียดมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์ในเรื่องแรกนั้น ก็เรื่องที่ทรามบุญฟังจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทเห็นตัวแม่บทแล้วจะอธิบายขยายความไปอย่างไรให้เกิดความเข้าใจโดยที่ไม่นอกแนวเป็นกลับมาที่ตัวแม่กลับมาที่ส่วนที่เป็นพุทธพจน์เราควรจะหาข้อมูลนั้นศึกษาให้ดีทําความเข้าใจให้รอบครอบถูกต้องในตาราคัมภี์ต่างๆมีเยอะแยะทั้งในส่วนที่เป็นตากาตาส่วนที่เป็นหนังสือใหม่ๆที่ออกมามีอุปมาอุปไม้ต่างๆเนี่ยเราฟังดูเปรียบเทียบแล้ว อยากให้เกิดความเข้าใจกลับมาในส่วนที่เป็นคําสอนของพุท ธ, ธะเพราะคำของท่านนั้นมีนัยยะอัตตะที่ละเอียดลึกซึ้งอยู่หลายอย่างในบทปยชนัก เ, เราจะต้องมีความรอบคอบรัดกุ่มไม่ลาล้วมอย่างเช่นคําว่าจิตอธิฏฐานการงานจริงๆที่ถูกนั้นควรจะเป็นสติอธิษฐานการงานแตพอเราเห็นคานี้ปุ๊บ อ, อต้องตั้งสติออกไปละสติเป็นเรื่องสําคัญแล้วตรงนี้นะทําการงานให้มันสําเร็จผลเป็นฐานที่จะเกิดผล ในการที่ฝึกให้มีสติขึ้นและท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆต้องการจะติดต่อกับทางรายการหรือสอบตามมาทางข้าพเจ้าสามารถไปที่เว็บไซต์ได้ที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a .com หรือ้าสะดวกทางจดหมายก็ส่งมาที่เลขที่หนึ่งหมู่8ตํตำบลดอนหายโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี ราชไพรสณนีก็4 1 1 3 0วัดป่าดอนนายโศกวันนี้เวลาหมดเวลาท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมาหาภัยบู์อาภีปุนโนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุเล่นปอด